أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رَبِّ شَرَحْ صَدْرِي لِي لِي وَحْلُلْ لِسَانِي وَيَسْرْ عُقْدَةً وزيدنا قَوْلِهُ وعلمنا وَإِنْ أَمْرِي مِنْ اللهم بما علمتنا ما انفعنا عل ينفعنا يَفْقَهُ พระบิดาชี้ให้ฉันฟ و นَาบและ ن รงสั่ง ا ห้ฉัน ي ن ربنا آتنا ملدا ك ر, ح, ر ح ب <c oughs> o, allah, ك وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله وني نحب انغرا كصورة صاد إن شاء الله เลยประมาณครึ่งหนึ่งของโซลอนี้นะครับเป็น เรื่องราวที่จะพูดถึงผ่านไปแล้วเรื่องราวของนบีดาวูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเร า, อ, าอ่านอายะก์สามอายะห์ที่ขั้นกลางระหว่างเรื่องของนบีดาวูดกับนบีสุไลมานซึ่งประเด็นหัวใจหลักของสามอายะห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็ปเป็นประเด็นของต้นสุรห์นั่นก็คือ เกี่ยวกับการเชิญชวนบัรดามุชริกีนให้สัทธาต่อ a l l a า س ห ح ا ن ه و ت ع ا ل ะวันนี้เราจะอ่านตั้งแต่อายะที่สามสิบนะครับเป็นต้นไปสามสิบ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าจะให้จบเรื่องเนี่ยต้องอ่านไปจนถึงสี่สิบเดี๋ยวขออ่านจนถึง สาิจนถึงสาอ่านสักสอายัพอนะครับแต่ว่าอธิบายให้จบเรื่องอละ ا ل ل ه من ا ل ش ا ن الرجيم ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ س ُ ل َ ي ْ م şey َ ا ن نعمل عدد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشى صافناة الجياد. <ت رج مة> فقال إني أ ح ب ب ت ه ُ بلخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فقاف قامس ب السوق و ا ل أ ع ن ا <c oughs> อัลลอฮุลลอฮิมนะสรุ ส, รสวสดนี้มีเรื่องราวของบรรดานาบีหลายท่านนะครับเป็นนบีมาจากกลุ่มชนบันีอิสรอเอลเวลาที่เราพูดถึงบรรดานาบีที่มาจากบันนีอิสราเอลเนี่ยมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่ง น, นั่นก็คือเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรดานาบีเหล่านี้เนี่ยบางที เป็นเรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยพวกไหนโดยบรรดาชาวคามีหรือบรรดาบันิอิสรอเอลเองซึ่งไม่สามารถที่จะระบุความถูกต้องของมันได้ในภาษาับเราเรียกมันว่าอัลอิสรออียตเรื่องราวของอิสรอเอียตเรื่องราวของพวกอิสราเอล เพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีอคินิหารเยอะมันจะมีเหมือนนิยายประเพราบางครั้งต้องระวังนะอย่าเชื่อแลวคือง่ายที่สุดก็คือไม่เชื่อและไม่ปฏิเสธถ้าอะไรที่มันไม่ถูกเล่าโดยฮะดิษสาฮถ้าเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏในฮะดิษสหฮที่สามารถสืบปนถึงท่านนบีสุลต แต่คนนั้นบอกคนนั้นเล่าเล่ามาจากคนนั้นคนนี้ระวังกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องจากบันีอิสราเอลหรืออิสรอเอลยียะตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงนบีดาวูดก็ดีนบีสุลมานกด็ดีเรื่องราวต่างๆของนบีในบันทีอิสราเอลเนี่ยบางทีนักตั f ซี r บางท่านนะั่นนะก็จะเอาเรื่องราวของอิสราเอลิยาตเนี่ยมาอธิบายอันนี้เราต้องระวังนะครับ ต้องอต้องเช็คต้องพิจารณาต้องช่างว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของนบีดาวุฒที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเอาแค่สองทัศนะของอุลามะนะครับที่บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่สองนะหมายถึงว่าการอธิบายในตับซียเนี่ยมีเป็นสิบด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับนบีดาวุี่มีเป็นสนะิบเลยบางก็บอกว่าคนที่เห็นไหมพอ พอพอพอพอบอกก็อยากจะเล่าเหมือนกันพอเล่าอลไรมันเรามันอยากจะฟังอะว่า อ, อ, อะไรที่มันไม่ถูกไม่จริงเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าซึ่งคนก็อยากจะฟังอะพอมันเป็นเรื่องเล่าไม่เล่าดีกว่าบางเรี่อบางเรียอบางรยางรยา ง, รงานบอกว่าคนที่มีภรรยาเก้าสิบเก้าคนแล้วอยากจะได้ภรรยาของเพื่อนอีกคนหนึงอะก็คือนบีดาวูดเองเห็นไหมมาแล้วนี่คือเรื่องเล่าจากใคร จากอิสราเอลียาดซึ่งเราเชื่อไม่ได้นะอิสราเอลียาดแบบนี้เราเชื่อไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องราวของนบีสุไลมานที่เรากำลังจะเล่าตอ น, นี้เรื่องราวของนบีสุไลมานเนี่ยตั้งแต่อายักที่สามสิบจนถึงสี่สิบเนี่ยมีอยู่สามเรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องม้าของท่านนาบีสุไลมนันเราตั้งลาบอกว่าอย่างไงวาวฮาบนาลิดาวุดัสุไลมานเราได้ประทานบุตร ให้กับดาวุดนั่นก็คือสุไลมานสุไลมานนี่เป็นลูกชายของใครเป็นลูกชายของดาวุดดาวุดนี่เป็นทั้งนบีและกษัตริย์สุไลมานก็เช่นเดียวกันเป็นทั้งนบีและกษัตริย์เราจะเรียกทั้งนบีสุไลมานและกษัตริย์สุไลมา น, นถ้าเป็นชาวต่างชาสนิ่เขาจะเรียกว่ากษัตริย์โซโลโมอนวิหารโซโลโมอนอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละท่านนี่มี ความพิเศษเหมือนกันมีความพิเศษที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามีความพิเศษเหมือนกันหรว่าเราแต่ล ะ, ะลให้ความพิเศษกับทั้งดาวุดและสุเลยมานดาวุดมีความพิเศษแบบหนึ่งสุเลมันก็มีความพิเศษอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทั้งสองคนมีคุณลักษณะที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คืออินหูอวัลบลองกลับไปดูอายะที่เราแต่ละพูดถึงดาวุดมีคํานี้อยู่ด้วย อินนุอัวบหมายถึงว่าเป็นคนที่รัจจายุ่อิลล a l l เป็นคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์มีปัญหาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์เวลาผิดกลับไปหาอัลลอฮ์เวลาลำบากกลับไปหาอัลลอฮ์เวลาอยากจะได้อะไรกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือความหมายของคํ า, ค ว, าว่าอาวัวบซึ่งเป็นคุณลักษณะนิสัยที่พวกเราทุกคนจะต้องมีาฝากวจใจไว้กับอัลลอฮ์ฝากความเชื่อไว้กับอัลลอฮ์ ฝากทุกอย่างของเราในชีวิตของเรากับอัลลอฮ์ซุลานวะตะแอลแท้จริงเขาเป็นคนที่หันหน้าเข้าสู่เราอยู่เสมอเอาวาบนั้นเรลึกถึงอัลลตะอลอยู่เสมอมาถึงเรื่องแรกที่อัลลตะแอลจะล่าให้ฟังในสุราห์นี้เกี่ยวกับสุไลมานขึ้นเลยอิ a ษูรษะอเลห์บิลอาช a สาฟินะต ع ن ر ب ح ت ا, ح ا ت ا, ت ت ر أ, ر ا ت ل ح ج รดดฮา علي ้ฟ <SCP> ัตฟ ja, ักมัสฮัมที่ซุกและอัณฑะอันนี้เราเล่าตามกแต่เในภาษาไทยก่อนตงนีลึกถึงเมื่ออุริฎะอไลฮิบิลอาชีนบีสุลมานเป็นคนที่ชอบม้ามากม้านี่ใช้ทาอะไรม้าศึกม้าที่ใช้ในการออกรบออก jihad เพื่อซาบลิลเป็นกษตร เป็นราชาก็ต้องออกไปปกครองต้องออกไปยิหาดในหนทางขอลงลัทธิมานตัลละแล้วภาหนะที่ใช้ในการยาตาดคืออะไรสมัยก่อนก็มีมา้ามีอูดแน่นอนว่าม้านี่จึงเป็นภาชนะที่ถูกอันเลยนะถูกดูแลอย่างดีเช่นเดียวกับสุไลมานนะท่านชอบตรงนี้เนี่ยชอบเพื่อที่จะเอาม้าเนี่ยไปใช้ในการยิหาดอัลลอซุานะอ ล, ะ อ, ละอัลซาฟินาตุลจิดเนี่ย เป็นมาชันดีเป็นมาที่มีรูปร่างสวยงามพวกเราเคยเห็นมาสายพันธ์อะไรบ้างอ่ะผมก็ไม่รู้จักมือนกันแต่มาที่มีอยู่ในเมืองไทยกับมาที่อยู่ในต่างประเทศโอ้โหบางทีมันคนละแบบกันเลยนะโดยเฉพาะมาอาหรับใครเคยเห็นมาอาหรับบ้างมาอาหรับเนี่ยรูปร่างเพียวสูงมาบ้านเราก็อาจจะเตี้ยเตี้ยใช่ที่อยู่ตามชายหาดน่ะที่เขาเอามาเช่า ไอ้คนขี่แต่ยเวลาที่ไปดูมาอาหรับโอ้มันคนละเรื่องเลยนี่แหละเห็นปุ๊บชอบเลยเหมือนพวกเราชอบรถอ่ะยี่ห้อใหม่ๆที่ออกมาผู้ชายแต่ละคนเห็นรถแล้วไม่ได้สมัยก่อนไม่มีรถก็ต้องม้านี่แหละเป็นเป็นความภาคภาคูมิใจความเท่ ข, ของบรรดาบุรุษนะสุภขขะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอสซฟินาตุลจีอานี่ยเป็นม้าที่ มีหลายการตับสินนะบางคนบอกว่าเป็นม้าที่สามารถยืนได้ด้วยสามขาอีกขาหนึ่งเนี่ยไม่รู้ทำท่าทางยังไงที่ดูแล้วมันเท่ทีนี้ทุกเย็นเนี่ยคนรับใช้ก็จะเอามา้ามาโชว์ให้สซลัยมานดูนะครับดูว่าม้าเป็นยังไงเข้าคอบออกคอ บ, อ บ, อบยังไงดูแลรักษายังไงจนกระทั่งนะ สุไลมันพูดว่าอย่างไงบอาอินนีอบบัฮุบบัลฉันเนี่ยชอบม้ามากเป็นคนที่เหมือนกับว่าถูกเสเน่ของความสวยงามของม้านี่ทำให้หลงไหลในม้าเหล่านี้อัซิกริรบีอยู่กับมา้าจนลืมอะไรจนลืมในการรำลึกถึง Allah سبحانه وتعالى سبحان الله นะอาจารย์อาจารย์บัคเตักเซ่บอกว่าลืมละเมออัสรีอันนี้เป็นตักเซ่หนึ่งระวังให้ดีนะเดี๋ยวผมก็เลยจะตักเซ่ตามเนื้อหาที่อยู่ในภาษาทไทยนี่ก่อนเดี๋ยวจะบอกอีกตักเซ่อีกแนวหนึ่งทีนี้นะครับอยู่กับม้าจนกระทั่งลืมอยู่กับดุนยาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ดุนยาเพราะม้านี้จริงๆเอาไปทําอะไรเอาไปทําจ่หัดแต่ว่า ไอการรักการหลงไหลในนี้ทําให้ลืมภารกิจที่สําคัญกว่าอั่นก็คือการรําลึกถึงพระเจ้าจนกระทั่งฮัตตาเตวรัตเวนฮิจัจนกระทั่งเวลาของการทําอิบาดะเนี่ยสิ้นสุดไปดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปแต่ยังยุ่งอยู่กับกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วไม่ได้ทําอิบาดะต่อรองคุณพานาตัลละพอนึกขึ้นได้อ่าตัวเองเผลอไปแล้ว อยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้สารววนอยู่จนกระทั่งไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะต้องทำเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างไงบอกให้คนรับใช้เนี่ยเอาม้ากลับคืนมารุดดูฮาอะไรเพราะม้านี่แหละที่ทำให้ฉันนี่เป็นยังไงลืมที่จะทำอิบัตดะตอลอดตลอะเพราะฉะนั้นให้จัดการเชื่อมมาเสียเพื่อไม่ให้กลับให้ไม่ให้อะไรนะพฤติกรรมนี้มันซ้าอีกรอบหนึ่ง นะไม่ได้ฆ่าทิ้งนะไม่ใช่นะไม่ใช่เอาไปฆ่าทิ้งเชื้อสมัยก่อนเขากินเนื้อมา้าปัจจุบันนี้ก็มีคนที่กินเนื้อม้านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในมัภาษาชาฟเอีนี่เป็นยังไงกินเนื้อมา้านี่กินได้หรือเปล่าใครเคยกินเนื้อม้าบ้างอาจจะมีอยู่ในภาษาอื่นนะเราคนบ้านเราไม่กินไงเราก็เลยรู้สึกแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่บางมภาษาที่เขากินเนื้อมา้าหรือคนสมัยก่อนก็กินเนื้อมา้าปกติ เชื่อดมาเพื่อเอามาบริโภคแล้วก็เอามาแจกบรรดาคนยากจนอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนบีสุไลมานนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องที่อาจจะดูมันเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะไปทางดุเนียแล้วดุเนียเนี่ยมาทำให้ลืมอัลลอ์ก็เลยจัดการเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งอันนี้เป็นหนึ่งในจัมเรตันเซนนะ แต่มีบางนักตัดสิรบอกว่าการอธิบายแบบนี้มันดูอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานะของการเป็นนบีเขาจึงอธิบายอีกแบบหนึง่งก็บอกว่านบีสุไลมานเป็นคนที่รักมา้าแล้วม้าเนี่ยเอาไปใช้ในการยิอาหซึ่งการยีอาหก็เป็นหนึ่งในประเภทของการซิกรุลลอ์เพราะฉะนั้นเขาอธิบายคำว่าอันซิกริบบีตรงนี้เนี่ย ความหมายของควาว่าอันเฉพาะนนคนที่รู้ภาษาอาหรับเขาจะบอกว่าเขาจะเข้าใจอันตรงนี้เนี่ยหมายความว่ามินมินลิตบตะไดหรือมินที่แปลว่าเป็นส่วนหนึ่งการรับม้าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซิกรุลลเพราะม้านี้เอาไปใช้ทำอะไรใช้ในการิฮาด d กัอัลลอฮ์ س ب ح ا ن นแตะ ت า ا ل ทีนี้อยู่กับม้าได้ตลอดทั้งวัน เอาม้ากลับเข้าไปในคอกแล้วก็ยังเรียกให้คนรับใช้เอาม้าออกมาอีกแล้วก็มาลูคอมาทําความสะอาดม้าด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นหนึ่งในจํานวนการตัดสินนะครับก็อัลลอฮฺอัลอาลัมนะครับอิชอัลลัลละคงไม่มีปัญหาอะไรแต่จะบอกว่าทั้งสองตัดซีนเนี่ยไม่ได้ผิดนะารับท่านในความรู้สึกของผมว่าทั้งสองตัดสินไม่ได้ผิดแต่ว่านักตัดสินพยายามที่จะอธิบายให้มัน เหมาะสมกับสถานะของคนที่เป็นนบีมากที่สุดในตัศนีแรกที่บอกว่าท่านนบีฆ่าท่านนบีสุล a i m a เนี่ยท่านฆ่าม้าเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองหลงลืมในการซิกรุลลอสไม่ใช่ว่าท่านไม่รักม้านะปวดใจไหมสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สุดท้ายต้องเสียสละเพื่อไม่ให้ทําให้ตัวเองต้องหลงลืมเอาล่ะเอาแต่อะไรเอาแต่ล ะ, ตละทดแทนด้วยสิ่งอื่น ซึ่งจะอยู่ข้างหลังเป็นเรื่องที่สามที่เราจะได้อธิบายอีกสักครู่นะท่านยอมสละม้าทิ้งเพื่ออัลลอ์อัลลอ์ตะลาก็ากเลยทดแทนด้วยสิ่งอื่นที่เร็วกว่ามา้าอะไรเร็วกว่ามา้าในอีกสองสามอายะนะัะครับหลังจากนี้จบแล้วใช่ั้ยเรื่องที่หนึ่งจบแค่นี้ไปดูเพิ่มเติมได้ในตัฟซีดอืนอ่นๆเรื่องที่สองที่เกี่ยวข้องกับนบีสุไลมานอายัที่สาี่ و ل َ قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي غ ْ ف ah ِ ر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنا كأن تلوح آآيات เรื่องที <Mercy> ่สเนี่ยอายัดเดียวอายัดเดียวคืออายัดที่สาบีโดยแน่นอนเราได้ทดสอบเราได้ฟิดนะสุไล مان และเราได้วางร่างเดินไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจดูเชิงอันที่หนึ่ง น, นะครับนยบสุไลมานทดสอบอยังไงในรายงานมีระบุนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสายรายงานในของอัลอิมามุลบุคารีเองนะครับแต่ท่านบิบอกว่าสุไลมันเนี่ยได้ได้พูดว่าฉัน ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปชั้นจะเวียนไปร่วมหลับนอนกับภรรยาของชั้นให้ครบทั้งกี่คนนะหนึ่งร้อยคนอ่าเซนบิสุลมันมีภรรยาเท่าไหร่หนึ่งร้อยคนตั้งใจว่าอยากจะให้หนึ่งร้อยคนสภรรยาของท่านหนึ่งร้อยคนเนี่ยกำเนิดบุตรมาเป็นนักรบทุกคนเลยอาจาใจไหมครับ อยากจะได้ทหารเป็นนัรกรบเพื่อที่จะได้มาช่วยทำการสงครามปรากฏว่าอาลัอาลลอลาทดสอบท่านด้วยการที่ทำให้ท่านลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮตั้งใจพูดออกมาแต่ลืมพูดว่าอินชาอัลลอฮตกลงเป็นยังไงครับ ปรากฏว่าไม่มีภรรยาคนไหนที่คลอดลูกหรือตั้งทันให้กับสุเลย์มาเลยแม้แต่สักคนเดียวยกเว้นแค่หนึ่งคนตั้งทันแล้วคลอดออกมาเป็นแค่มนุษย์ครึ่งตัวหมายถึงมีเฉพาะส่วนบน อ, ะอ่ะก็คือเป็นอสวินได้ไหมเป็นไม่ได้เป็นนักรบไม่ได้คนรับใช้ก็เลยเอาลูกที่คลอดออกมาเนี่ย ไปตั้งไว้บนบัลลังก์ของสุเลยมานสุเลยมานก็ไปเห็นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอ์ก็เลยสำนึกผิดและต็ขออัยตาอัลลอฮ์ سبحانه และก็จาลอันนี้เป็นตัวเสพที่มรีรายงานที่เชื่อถือได้ที่สุดมันจะมีคำอธิบายอื่นอีกอถ้าเรากลับไปดูมันจะมีเรื่องเล่า เรื่องเล่าที่เป็นอิสราเอลียาตว่าอย่างไงใช่ไหมพอฟังเรื่องนี้มันก็น่าฟังอยู่แต่พอไปฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเรื่องที่แต่งขึ้นโดยพวกอิสราเอลียาตเนี่ยมันน่าฟังกว่ามันอภิมิหานกว่าอันนี้แหละที่คนชอบฟังไอพวกอิสราเอลียาตเนี่ยเขาเล่าว่าอย่างไงเ้าเล่าว่าสุลมา m เนี่ยมีชัยตอนเป็นทาสรับใช้แล้วชัยตอนยินที่สุลมาน ใช้งานอยู่เนี่ยุลมีแหวนอยู่วงหนึ่งที่เป็นก็เรียกว่าแหวนเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้สั่งงานนะแต่ว่สั่งงานชัยตอนอ่ะแล้วแหวนนี่จะอยู่กับสุไลมานตลอดอันนี้เป็นอิสราเอลียาตนะอย่าเชื่อนะเล่าให้ฟังอย่างเดียวเพราะว่าพวกเราก็อยากฟังเรื่องแบบนี้ <laughs> แล้วแหวนนี่จะอยู่กับสุไลมานตลอดอ่าเวลาไปไหนมันก็ต้องอยู่กับตัวเองตลอดเพราะว่า เป็นยังไงถ้าแหวนนี่หลุดไปอยู่กับเชตตอนเมื่อไหร่แล้วแชตตอนก็จะเอาไปเหมือนกับหลุดพ้นจากอำนาจของตุวอะไรมามีอยู่วันหนึ่งจะอาบน้ําก็เลยถอดแหวนออกมากลายเป็นกลายเป็นตะกั่วแตงเห็นไหมเริ่มแล้วพินิหารเริ่มมาแล้วแล้วฝากตะกั่แตงนี้ไว้กับภรรยาของท่านสุดท้ายท่านก็เข้าไปอาบน้ํา นะครับตีวายด์หลังจากนั้นนี่เป็นยังไงอ่ะแค่ตอนก็มาล่อลวงภรรยาของสุไลมานแล้วก็เอาแหวนของท่านไปแล้วก็ไปปกครองไปกลายร่างเป็นสุไลมานอยู่ไม่รู้ตั้งกี่ปีกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺจะให้ทุกคนรู้ว่าสุไลมานไม่ใช่สุไลมานที่ปกครองอยู่ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงอัลลอฮฺอัลลอสลลฺอยู่หรือว่าสิ้นสติอยู่เรื่องนี้ เป็นยังไงครับเป็นอิสราเอลียาตินั่นแหละถึงไม่อยากเล่าให้ฟังเพรายิ่งเล่าแล้วยิ่งอยากฟังต่อว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนี่แหละครับนะครับเวลาที่เราฟังเรื่องเล่าของบรรดาหนาบีบางทีอาจจะมีหนังสือพวกนี้เขียนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไอ้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเอามาจากไหนอะไรยังไงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับอจบเรื่องที่สองเรื่องที่สาม ก็ค oh ah ือเรื i, yeah? ่องที่ท่านนบีสุลมานขอด้อลรบบรลี้วะมลนมบดีดยการที่ท่านเสียม้าดีไปแล้วแล้วอัวินที่ท่านอยากจะได้จากภรรยาของท่านก็ไม่ได้ท่านก็เลยอิสติฟาร์ต a l แล้วขอก Allah ว่าอย่างไรรับบลีันหบดีอ ได้โปรดประทานอำนาจแก่ฉันซึ่งอำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่พิเศษที่คนอื่นหลังจากฉันเนี่ยไม่น่าจะครอบครองอำนาจนี้ได้แล้วอินนากันตัลวะฮะพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สค์ให้ต้องการอำนาจในการที่จะออกไปทำหน้าที่เป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่เชิดชู ก, กลิมาตุลละวักษาลาก็เลยให้อะไรครับ ฟัซซัคร์นาละอูริห์ฟัซซัครน่าละอุรีห์เราจึงได้ทําให้เขาสามารถจะควบคุมลมนบีสุลัยมานเนี่ยสามารถที่จะควบคุมลมได้บปอเมริกรุคอานให้สุอัอบจะให้พัดไปทางไหนเราองค์อนุญาต ให้ลงอยู um, an, ่ภายใต้การควบคุมของนบีสุไลม์อีกอย่างหนึ่งเจ้าหลักอะไรไงวะชัยอตีนัคุณเลบันนาวะกูอวะแล้วเราได้ทําให้ชัยตอนจินทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้คําสั่งของสุไลม์อินที่มีหน้าที่ทําอะไรบันนา เป็นวิศวกรเป็นเป็นสถาปนิก سبحان อัลลอฮ์นั่นแหละที่พวกยะวดีทำไมถึงอยากได้ที่ดินบริเวณ is, เบยตุลมักดิสมัสจิดิลอัฟซอพราะพวกยะวดีเชื่อว่าข้างล่างไมตุลอัลมาสจิดิลอักซอคือวิหารโซโลโมอนที่ชัยตอนพวกนี้สร้างกันมาแต่อดีตเป็นสัญลักแห่ง ทำหน้าชัยตอนมีหน้าที่ 1. นึ่ทำสิ่งใหญ่ๆอาคารโตๆจึงไม่น่าแปลกถ้าเราฟังจากอายัด น, นี้เราคิดว่าไม่น่าแปลกที่ว่าทำไมคนในอดีตถึงมอีอาคารใหญ่โตมากมายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ยังไงชัยตอนเป็นผู้รับใช้นบีสุัลมานในการสร้างอาคารเหล่านั้น และอีกหน้าที่หนึ่งของไชตอนพวกนี้ก็คือว่าเขาเป็นนักดำ น, น้ำน้ำทะเลลึกๆนะลยมันก็นบีุซลัยมันก็จะใช้ไชตอนในการที่จะดำน้ำลงไปเอาสิ่งที่ตัวเองต้องก า, านะการและมีเยอะไชตอนที่อยู่เป็นท่ารับใช้ของสุลัยมันเนี่ย มีมากมายที่เหลือเนี่ยถูกล่ามโซ่เอาไว้เมื่อไรที่จะใช้งานค่อยถอดออกมาอัลลจะลลัสุบฮานัลลอฮ์นั่นแหละเราจะเห็นว่าไอ้พวกตะวันตกทำไมถึงชอบเรื่องราวของสุไลมันมากพยายามไขคดีถอดรหัสลับเป็นเรื่องราวลี้ลับยเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อนะถ้าใครเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติของพวก ฟรีเมซันอันนี้เป็นพวกองค์กรลึกลับทั้งหลายที่เขาพูดอ่ะจะมีเรื่องราวพวกมีเรื่องราวของบ ว, วกและมีเรื่องราวของสัญ ล, ลักษณ์โน่นนี่นั่นเป็นการถอดรหัสของพวกนี้ทั้งเพย์อาริยาจะเป็นละห์มินดาลิกที่ชิริกนะครับแล้วก็เอาไปผูกโยงกับอํานาจของนบีสุลัยมานเรื่องราวของสุลมานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในสุราห์นี้มีอยู่ในสุราตุนนั่นนบีสุลัยมานเคยพูดกับอะไรกับมด เคยพูดกับนกพุดพุดพุดพุดก็คือนกนกหัวขวานนอยู่ในสุรทุมนั้นแล้วก็เคยนำเอาบัรลังของราชินีบิลกิสนครับอยู่ในสุรทูอันนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็ในสุรทูเซบาเขามีพูดถึงเรื่องราวของสุล a i n ه a a t ที่สามสก้า เอาอันสิษ์บิัยรอิซาบนี่คือการประทัดของเราแกสุไลมันดังนั้นเจ้าจะให้ใครก็ได้หรือจะยับยั้งไม่ให้ใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนบิัยรอิซาบนั่นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกกลุ่มพวกของบันิอิสราเอลในยุคหลังๆในยุคปัจจุบันนี้ถึงอยากจะได้มรดกของสุไลมาน เามีความเชื่อว่าใครที่ครอบครองมรดกของสุลมานจะเป็นยังไงจะได้มีอานาจโน่นนี่นั่นอัลลอฮวอะลรต้ออัลลอฮ์นะ่าอินนัลเลหอินดะนาลซุลฟาวะฮุสนามะอาบและแท้จริงสุลมานนั้นณที่เรานั้นเป็นผู้ใกล้ชิดเราเป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์วะฮุสนามะอาบและในวันเดียมะก็จะอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดนะครับ อัลลอฮอะตุบิอิลอ่ะมีเวลาอีกนิดนึงเราอ่านเรื่องราวของนบีคนนนั่นก็คือนบียูบะลฮิสลามวุร عبد ะนาไอยูบอิ n a รบบะฮูอันนีมสนชัยนุบินศบิ وعد ับแลจงรำลึกถึงบาปของยูเมื่อเขาวิงวอนขอต่ออัลล ข้อลาวาอยังไงอันนี้มั ส, สนิอ์ชชัยตอนบินุศบหนาาึ่งเยาอัลลอฮฺชั้นถูกชัยตอนเล่นงานด้วยทําให้ฉันเนี่ยได้รับความเหน็ดเหนื่อยได้รับความทุกข์ทรมานก็มีรายงานมีทัศซ์ที่หลายทัศน์ที่บอกว่านะโรคที่ท่านนาบีอายุปเป็นเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ตอนหน้านั้นตอนที่จะเป็นโรค อัลลอฮตาลาดสอบท่านนาบีดาวุฒิทำให้เลือกสวนไรน่นาที่ท่านเป็นเจ้าของเนี่ยโดนไฟไหม้เสียหายหมดลูกหลานเสียชีวิตหมดเหลือภรรยาอยู่คนเดียวแล้วตัวเองก็เป็นโรคร้ายคนในหมู่บ้านคนในชุมชนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ต้องหลบออกไปอยู่โดดเดี่ยวต่งางหากและมีภรรยาที่คอยรับใช้สุบพานลละแตงทางที่อายุ บ, บอกว่าฉัน ใจ ย, ยาเธอเธอกลับไปอยู่กับพี่น้องของเธอกับญาติของเธอแต่ภรรยาของอายุยังคงรับใช้อายุด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีสุดท้ายอัลตตาลาก็บอกของท่านว่าอูรุกุดเบริจเลิกจงกระทือบบนดินด้วยเท้าของ เ, องเจ้าแล้วเป็นยังไงครับพ อ, อกระเทือบปุ๊บมีตาน้าออกมา น้ำดะมุขเตสลุนบาริดุนว่าช راب มีน้ำผู้ออกมาอัลตัลลาบอกว่าเอาน้ำผู้เนี่ยไปชำระร่างกายแล้วก็เอาไปดื่มชำระร่างกายเพื่อให้อ่ข้างนอกเนี่ยหายไปและเอาไปดื่มเพื่อที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรง วาวะหบ نا له أهله ومس لهم معهم رحمة من หลังจากนั้นหลังจากที่ทุกอย่างหายไปท่านนบีอายุผ่านบททดสอบไปเสร็จสิ้นรัสตาละก็ให้ค ร, รอบครัวของท่านกลับคืนมามีรายงานสองสองแบบนะครับมีความเห็นสองแบบในการ ت ف ซ ي ر ตรงนี้บางก็บอกว่ารัสตาละทําให้ลูกลูกที่ตายไปแล้วเนี่ยมีชีวิตกลับคืนมานะครับ ในขณะที่อีกความเห็นหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เกับไม่ได้มีชีวิตกลับคืนมาแต่ลูกที่เหลืออยู่หรือภรรยาคนเดิมที่เหลืออยู่คลอดลูกใหม่แล้วก็ขยายลูกหลานออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยตายไปหมดแต่เกิดพอเกิ ด, ก, ด, ก, ด, ก, ดก็เกิดลูกเกิดหลานจนกระทั่งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวงตระกูลอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความโปรดปรานเจ้าอัลลอฮุ سبحانه และ ร่มตั์มินน่าเป็นความตัาจากคราววบและเป็นข้อตักเตือนสติเป็นบทเรียนให้กับบรรดาคนที่มีปัญญาทั้งหลายว่าข้บยาดกิษฐ์นฟริบบีฮีละถ้นัสจงเอาเศษไม้มาคมหนึ่งแล้วฟาลงไปและอย่าได้ถอนคับสาบาน เรื่องตรงนี้เกี่ยวกับอะไรครับเรื่องตรงนี้มีอยู่ว่าท่านนบีอายุปเนี่ยเคยสาบานเคยบ่นบานว่าจะตีในอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าจะตีอะไรแต่นักกัมเสียบอกว่าเคยบ่นบานว่าจะตีภรรยาของตัวเองเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกให้ภรรยาไปทําอะไรสักอย่างนึงในขณะที่ตัวเองป่วยอยู่ทีนี้ภรรยาของ ท่านัายุบเนี่ยปรากฏว่าล่าช้าในการทําตามสิ่งที่ออยุบได้ขอก็เลยโกรธโกรธแล้วโมโหขึ้นมาแล้วบอกว่าวัลลอฮ์ขอสาบานกับอัลลอฮ์ฉันจะตีเธอหนึ่งร้อยครั้งอัลลอฮฺอักบะอันนี้พวกเราต้องเอาบทเรียนด้วยนะละตัลลาสอนบทเรียนกับเราทั้งหมดถ้าเรื่องนี้ถ้าตัฟซินนี้เป็นเรื่องจริงเราจะได้บทเรียนเรื่องนี้ว่ะเห็นไหม ในขณะที่เราโกรธระวังระวังคำพูดที่ออกมาถึงขั้นสาบานแล้วอะไรก็ตามที่เราสาบานกับอัลลอ์ต้องทำให้ได้จะเป็นเลิกคำสาบานไม่ได้ทีนี้พอหายป่วยก็เลยต้องทำาการต้องทาตามที่ตัวเองสาบานเอาไว้ต้องตีภรรยาหนึ่งรอครั้งเป็นอะไรที่สุบฮานัลลอฮ์อัลลอ์ตาลาเมตตาภรรยาของอายู เอาแต่ละให้เกียดภรรยาของอายุพระนางอดทนในการดูแลอายุมาเป็นระยะเวลาหลายปีพระองค์จึงให้ทางออกกับอายุว่าไม่ต้องตีหนึ่งร้อครั้งแต่ให้ทำยังไงให้ไปเอาต้นไม้ต้นหญ้าที่มีจำนวนหนึ่งร้าเรียกอะไรนะกานึงอะ่ะมีอันเล็กๆ เ, เ, เ, เหมือนทานมะพร้าวอะ่ะเข้าใจั้ย หางมะพร้าวนี่มีสมมติกรรมตึงเพียงร้อยนึงมันก็นิดเดียวเองใช่นั้นแล้วก็ให้ตีแค่ตีแค่ครั้งเดียวเข้าใจไหมครับ100 100ไม้เรียวเนี่ยรวมกันครบครบ100แสดงว่าอายุเองก็ไม่ต้องเสียสัตว์ในการสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานวาฮาแนและภรรยาของท่านเองก็ไม่ต้องโดน อายุเที่ยนไปจนครบหนึ่งรยทีซึ่งถ้าเทีทเ่ยนครบหนึ่งร้อยทีเนี่ยมันหนักนะครับนี่คือทางออกที่อลัาลต阿าให้ทั้งอายุไม่ต้องเสียคําสาบานและให้กับภรรยาของท่านไม่ต้องโดนเที่ยนหนึ่งร้อยทีนะครับเ ป, เป็นการเป็นชริอัดในสมัยนั้นอัลลอฮฺาอาลัตตะในบรรดานังสือสีทบอกว่าตกลงชริอัดนี้เนี่ยทำใช้ในยุคเราได้แล้วเล่าเราสมมุติมีใครสาบาน มีใครเกิดโลกปากขึ้นมาว่าสาบานจะตีหนึ่งร้อครั้งเอาวิธีการเดียวกันกับน บ, บีอายุบมาใช้ได้ไหมอุลามะเขามีคลิลากกันอีกบางก็บอกว่าได้บางก็บอกว่าไม่ได้นี่เป็นเรื่องของต้องกลับไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องระวังคำพูดนะครับอินนาวจันาฮูซอบิรเราพบว่าอายุบเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทน เวลาที andare, zawsze, نا, ่พูดถึงความอดทนในชุมนั้นนบีที่เราพูดถึงเป็นตัวอย่างก็คือนบีอายุฮะเลสซาดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองเวลาที่ท่านฟังเรื่องราวของนบีอายุก็จะเกิดกำลังใจในการทํางานเนะมลอาบดูนะเป็นบ่าวผู้ประเสริฐอินนะฮูอัวะบเห็นไหมคุณลักษณะเดียวกันกับใครครับอัลดาูด กับสุไลมานอยุก็เช่นเดียวกันอินนหูวอวะเป็นคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ตอนที่ตัวเองโดนทดสอบเนี่ยไม่ร้องขออะไรเลยนะไม่ร้องขออะไรเลยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตะลาเพียงพระองค์เดียวสุดท้ายบททดสอบเหล่านั้นก็ผ่านไปนี่คือเรื่องราวนะครับถ้าเรากลับไปดูถ้าเราจะรวบรวมเรื่องราวของท่านนาบีดาวูดก็ดีนบีสุไลมานก็ดีนบีอายุก็ดีเนี่ จะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างแน่นอนนะครับวันหนึ่งในจำนวนเรื่องในจานวนบทเรียนที่เราถอดได้ก็คือคุณลักษณะที่เรากตาลาพูดนี่แหละพี่น้องจำไม่ดีเลยอินนุอัวับทำยังไงให้เรามีนิสัยนี้ให้เป็นคนที่ไม่ว่าเกิด อ, อะไรขึ้นให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์ยามปกติอิบาดาห์ตออัลลอฮ์ยามที่เราทำผิด กลับไป i n s ัยามที่เราถูกทดสอบให้กล э ับปขอความช่วยเหลือจาก Allah s u b h a n a h t a ประมาณนี้นะครับคนีอัลฮัมดุลิลลาฮัลลั ا الله م ا يحب ويرضى ซลละลละฮ์ัละฮ์ัละฮ์ัละฮ์ัละฮ์ัละฮ์ัละฮัละฮ์ัละฮะัะัะะลลล